มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ <c oughs> จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประพฤติมาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและในพระอริยสงฆ์สาวก ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ได้ประคฤติได้ปฏิบัติจนสามารถบรรลุถึงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราเชื่อในพระพุทธเจ้าก็คือเชื่อว่า พระพุทธเจ้านี้มีจริงเป็นบุคคลที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนได้พบทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทางที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวร เราเชื่อในการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าคือรู้ทางที่จะพาให้สันโลกที่ยังหลงติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด เราเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่จะนำพาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราเชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงจริงทั้งเหตุและจริงทั้งผล เหตุก็คือการปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันเช่นทำทานรักษาศีลบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นทางที่จะนำไปสู่เหตุคือการดับของความทุกข์ทั้งหลายนำไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด นำไปสู่ความสุขที่ถาวรที่แท้จริงเชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสรนทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัติสามารถพิสูตรรู้เห็นได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าหรือภาษาวกมาคอยยืนยันถ้าปฏิบัติไปแล้วก็จะเห็นผลเอง เหมือนกับการรับประทานยาถ้ารับประทานยาไปแล้วก็จะเห็นผลของยานั่นเองคือถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บรับประทานยาเข้าไปแล้วเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปเวลาหายแล้วก็ไม่ต้องไปถามหมอว่าข้าพเจ้าหายหลือยังจากโรคภัยไข้เจ็บผู้ปฏิบัติจะรู้เองเหมือนกับการกินยา ผู้ปฏิบัตินี้ไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าเวลาถึงพระนิพพานแล้วว่าถึงหรือยังเวลาที่ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วไม่ต้องถามว่าบรรลุหรือยังถ้าต้องถามพระพุทธเจ้าตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไปถามใครนี่คือสันติโกทรรของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติ ถูกต้องทุกสิ่งทุกประการตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเช่นทาทานให้ครบรักษาศีลให้ครบภาวนาให้ครบผลก็จะเกิดขึ้นมาภายในใจของเราเองแล้วเราจะไม่ต้องไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้หรือเปล่าพระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกทั้งหลายมีจริงหรือเปล่าเกิดจากการปฏิบัติทำตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้จริงหรือเปล่า mm. ถ้าเราปฏิบัติแล้วมันจะรู้เองเข้าใจเอง <Yeah. S 1> แต่สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนก็คือคําสอน เพราะคำสอนนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะรู้เองได้เช่นคำสอนที่สอนให้เราทำทานคำสอนที่สอนให้เรารักษาศีลคำสอนที่สอนให้เราภาวนานี่เป็นคำสอนที่เราต้องรู้ต้องได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าก็ดีหรือจากพระอริยสงสาวก็ดีหรือจาก คำสอนที่ได้ถูกจารึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ดีเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรู้เองได้วิธีการปฏิบัติเพื่อที่จะนำให้เราไปสู่การดับของความทุกข์ทั้งหลายได้เราต้องมีคำสอนของพระพุทธเจา้าเราจึงต้องศึกษาเราจึงต้องมีศรัทธา ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่ศึกษาเราจะไม่สนใจและเราก็จะไม่รู้จักทางที่จะนำาพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือสิ่งแรกที่เราต้องมี ก็คือมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้ศึกษาร่มเรียนพอเราศึกษาร่มเรียนแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติพอเรานำเอาไปปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นมาภายในใจเราเหมือนกับยาที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกา ย, ายเราพอรับประทานยาเข้าไปแล้ว ผลก็คือการหายจากโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นผลตามมาเมื่อวรหาเราหายจากโรคแล้วเราก็ไม่ต้องไปให้คนอื่นมารับรองมายืนยันว่าเราได้หายจากโรคแล้วจะมีพระพุทธเจ้ามีพระอาลหลันตาสาวกมารับรองมายืนยันหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหา การรับรองการยืนยันของท่านนี้เป็นการบอกให้ผู้อื่นได้รู้ว่าบุคคลนี้ได้ปฏิบัติจนได้บรรลุธรรมแล้วถ้าจะให้บุคคลบอกด้วยตนเองก็อาจจ ะ, ะไม่มีความมั่นใจเพราะคนเรานี่มีหลายแบบ คนที่พูดจริงก็มีคนที่พูดไม่จริงก็มีเวลาเขาพูดว่าเขาได้บรรลุธรรมแล้วเราจะไม่รู้เราไม่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่แต่ถ้ามีพระพุทธเจ้าามารับรองเช่นเวลาที่ทรงแสดงธรรมครั้งแรกแล้วมีพระอัญญาณโกนทัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมา พระพุทธเจ้าก็ตัดว่าโกนธัญะเธอรู้แล้วหนอเธอรู้แล้วหนอพระพุทธเจ้าสามารถอ่านจิตใจของพระโกนธัญะได้เห็นว่าพระโกนธัญญะนี้ได้บรรลุท่านขั้นที่หนึ่งแล้วท่านก็ทรงตัดออกมาพอพระพุทธเจ้าตรัดแล้วมันก็เท่ากับเป็นการรับรองการบรรลุของพระอาญาโภตัญญะ ถึงแม้พระอญญานโกนธัญะญจะไม่ได้พูดว่าตนเองบรรลุแต่ก็มีพระพุทธเจ้ารับรองแล้วการรับรองของผู้อื่นเช่นพระพุทธเจ้าหรือของพระ อ, อราหารนันต์นี้จะมีน้ำหนักมากกว่าการพูดได้พูดด้วยตนเองเพราะการพูดด้วยตนเองใครๆก็พูดได้พูดแล้วจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ใครจะไปรู้คนที่จะรู้ได้ก็ต้องเป็นพระอาหารหันต์ด้วยกันเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นหรือคนที่ศึกษาคำสอนของพระรูปนั้นแล้วนำเอาคำสอนของพระรูปนั้นไปปฏิบัติพอตนปฏิบัติแล้วได้บรรลุผลตามคำสอนก็จะไม่สงสัยในผู้สอน ว่าได้บรรลุแล้วหรื อ, อย่างอย่างที่ภาษาวกทั้งหลายไม่มีรูปใดองค์ใดที่มีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้านี้ได้ตัดสรู้จริงหรือไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตัสา ม, มาสามพุทธเจ้าหรือไม่เพราะว่าผู้ที่ได้เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติและได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้ว จะไปสงสัยผู้สอนได้อย่างไรถ้าไม่มีผู้สอนผู้ปฏิบัติจะไม่มีวันที่จะบรรลุได้เลยดัยงนั้นการที่จะรู้ว่าบุคคลอื่นนั้นบรรลุธรรมหรือไม่ก็อยู่ที่หนึ่งอยู่ที่ตัวเรานำเอาคำสอนของผู้ที่สอนนั้นมาปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วเราบรรลุผล เราก็จะรู้ว่าผู้นั้นได้บรรลุแล้วถ้าเขาไม่บรรลุแล้วเขาจะมาสอนเราได้อย่างไรนี่ข้อที่หนึ่งอีกข้อที่หนึ่งก็คือต้องได้รับการรับรองจากพระอารหันต์หรือพระพุทธเจ้าถ้าท่านบอกว่ารูปนี้สำเร็จแล้วถ้าท่านเป็นพระอารหันต์เป็นผู้ที่มีความ ม, มีผู้มีศรัทธาเคารพ เชื่อถือว่าเป็นพระอาหารหันต์ก็เชื่อได้เลยว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นความจริงแต่สาหรับผู้ปฏิบัติเองนี้ไม่สำคัญไม่สำคัญว่าจะมีผู้อื่นมารับรองตนหรือไม่เหมือนกับคนไข้ที่รับประทานยาแล้วหายจากโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องมีหมอมารับรองว่า เธอหายจากโรคแล้วนะไม่ต้องถามไม่ต้องให้มีใครรับรองถ้าเราหายจากโรคแล้วเราพอใจแล้วใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเราหายหรือไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่คือสันติโกผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นอากาลิโกสามารถพิสูจน์ได้ทุกยุคทุกสมัย ไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์ในยุคที่มีพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์เท่านั้นตราบใดที่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้และตราบใดที่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรแก่ธรรมตราบนั้นโลกนี้จะไม่ปราศจากพระอาหารหันต์นี่คือคำพูดของพระพุทธเจ้าคายืนยันว่า ถึงแม้จะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอาหารหันต์อยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามแต่ถ้ายังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วมีผู้ปฏิบัติสมควรต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ก็ยังจะมีผู้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้อยู่นี่คืออาการวิโกไม่ได้จําเป็นจะต้องมีแต่พระอาหารหันต์ในยุค พุทธกาลยุคที่มีพระพุทธเจ้ายุคที่มีพระสาวกอยู่เท่านั้นยุคในยุคใดสมัยใดถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสุ ป, ปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนยุคนั้นสมัยนั้นย่อมมีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาได้เสมอดังนั้น พวกเราต้องมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนอย่าปล่อยให้กิเลสความลังเลสงสัยมาคอยหลอกคอยกีดกันไม่ให้เราได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะจะมีบางคนบางท่านอาจจะคิดว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่มีวันที่จะสามารถปฏิบัติ ให้บรรลุได้แล้วเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีพระอาหารหันต์แล้วถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นการปิดประตูหรือปิดทางสู่การไปสู่พระนิพพานการไปสู่การหลับการไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องไม่คิดอย่างนี้เราต้องคิดว่า ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอาการวิโกไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันต์หรือไม่ก็ตามแต่ถ้ายังมีคำสอนอยู่และมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ผลก็ยังจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเชื่ออย่างแน่ว แ, แน่มั่นคงเพราะถ้าเราไม่เชื่อแล้ว เราจะมีความลังเลสงสัยแล้วเราจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้ได้รับผลได้อยู่ตรงนี้อยู่ที่ความศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอนว่าเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมคือเป็นความจริงทั้งเหตุและผลเป็นสันทติโกคือผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง เป็นอาการลิโกคือเป็นได้ทุกยุคทุกสมัยไม่จำเป็นจะต้องเป็นแต่ในยุคของพระพุทธเจ้าเท่านั้นยุคนี้ก็เป็นได้ถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ก็เป็นได้เช่นทำทานนักษาศีลภาวนาได้ก็บรรลุทมขั้นต่างๆได้ ผลนี้เกิดจากเหตุผลไม่ได้เกิดจากพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดจากพระอาหารหันตสาวกไม่ได้เกิดจากการเวลาแต่เกิดจากเหตุคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายปฏิปันโ น, ยายโนสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีเป็นอย่างไรก็เป็นเหมือนนักเรียน ที่เรียนดีได้สอบได้ที่หนึ่งได้คะแนนเต็มร้อยได้เกรดสี่จุดอย่างนี้เรียกว่าเรียนดีปฏิบัติตรงก็คือตรงต่อคำสอนไม่ไปเอาคำสอนของคนอื่นของผู้อื่นมาปฏิบัติจะปฏิบัติแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวยายะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้น ไม่ปฏิบัติเพื่อที่จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะได้กลับมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองการปฏิบัติเพื่อผลเหล่านี้นั้นจะไม่สามารถนำให้ไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะการไปเกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรหมก็ยังจะต้อง ต้องเสื่อมต้องหมดไปต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมหาจากกักรพรรดิก็เช่นเดียวกันดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้มุ่งไปสู่การได้ไปเกิดปณสวรรค์ชั้นต่างๆหรือการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ที่ร่ำรวยหรือที่ยิ่งใหญ่แต่ต้องการปฏิบัติเพื่อไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือญาญะปฏิปนันโนปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์สามีจีปฏิปนันโนแปลว่าการปฏิบัติอย่างถูกต้องคือปฏิบัติไม่ผิดนั่นเองทำทานก็ทําเพื่อตัดกิเลสที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด ทำทานไม่ได้ทำเพื่อที่จะได้เป็นเศรษฐีเพื่อจะได้ร่ำ จ, จะได้รวยทำทานเพื่อไม่ได้จะได้เวลาแทงลอตเตอรี่จะได้ถูกลอตเตอรี่จะได้ถูกรางวัลที่หนึ่งการทำททานนี้ทำเพื่อตัดความตนันหนีความหวงความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองตัดความโลภที่อยากจะได้เงินทอง ทำเพื่อให้มีเงินน้อยลงไปไม่ใช่ทําเพื่อให้มีเงินมากขึ้นไปเพราะเงินทองนี้เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเพราะถ้าเวลามีเงินมีทองก็จะอดที่จะใช้เงินใช้ทองไปซื้อข้าวของต่างๆไปซื้อสมบัติไปซื้อความสุขต่างๆไม่ได้พอซื้อแล้วก็จะติด เป็นคนที่มีความสุขกับการดื่มสุราก็ต้องซื้อสุรามาดื่มอยู่เรื่อยๆพอเงินหมดก็ต้องไปหาเงินมาใหม่เพื่อที่จะได้มาซื้อสุราดื่มต่อไปถ้าทำอย่างนี้ก็จะไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติทำรักษาศีลไปภาวนาได้ผู้ที่ไม่อยากจะติดอยู่กับสุรา เวลาอยากจะเอาเงินไปซื้อสุราก็ให้เอาเงินนี้ไปทำทานแทนยอมอดสุรายอมทุกขกับการอดสุราไปสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานความอยากดื่มสุราก็จะหายไปจะหมดไปเช่นเดียวกับความอยากในสิ่งต่างๆที่ต้องใช้เงินเป็นเครื่องมืออยากไปเที่ยวก็ต้องใช้เงินไปเที่ยวอย่างช่วงนี้วันหยุดสงกราน อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เอาเงินที่จะไปใช้กับการไปเที่ยวนั้นเอาไปทำบุญทาทานเสียแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในบ้านรักษาศีล น, นั่งสมาธิจเจริญจิตภาวนาอยู่ที่บ้านอย่างนี้ก็จะสามารถที่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าในทางปฏิบัติได้นี่คือเป้าหมายของการทำทาน ทำทานเพื่อแย่งเอาเงินที่เราจะเอาไปใช้กับกิเลสตัณหาให้เอามาทําลายกิเลสตัณหาทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวทุกครั้งที่อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยทุกครั้งที่อยากจะซื้อเครื่องดื่มที่เราโปรดปรานเช่นสุรายาเมาเราก็เอาเงินที่จะไปซื้อนี้ ไปให้คนอื่นเอาไปทำบุญทำทานเพะพอทำบุญแล้วก็ไม่มีเงินซื้อสุรามาเด่มก็ต้องอดการอดก็เป็นการหยุดความอยากนี่อพอเราไม่ทำตามความอยากไปเรื่อยๆเดี๋ยวความอยากก็จะหมดกำลังไปต่อไปเราก็ไม่ต้องมีความกังวลกับเรื่องการเดิมสุราเราก็จะรักษาศีลได้ รักษาศีลได้เราก็จะภาวนาได้นั่งสมาธิได้จเจริญปัญญาได้เราก็จะบรรลุทาขั้นต่างๆได้ผู้ที่บรรลุทาขั้นต่างๆนี้ส่วนใหญ่ 99% นนี้เป็นนักบวชทั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่หาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองเป็นผู้ที่รักษาศีลได้บริสุทธิ์ เป็นผู้ที่มีเวลาที่จะบำเพ็ญจิตตะภาวนาทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาท่านเหล่านี้จึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆได้บรรลุเป็นพระโสโดาบันได้เป็นพระสกิดาคามีได้เป็นพระอนาคามีได้เป็นพระอาหารหันได้เพราะท่านทำทาน ท่านไม่เอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆไม่เอาเงินไปซื้อสุรายาเมลไม่เอาเองินไปซื้อขนมนมเนยไม่เอาเงินไปซื้อกาแฟเครื่องดื่มต่างๆไม่เอาเงินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่เอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเช่นเสื้อผ้าที่มีอยู่ล้นตู้แล้วก็ยังเอาไปซื้ออีกหรือรองเท้ามีอยู่เป็นสิบคู่แล้ว ก็ยังไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่อีถ้าถ้ายังติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่ <_ an> ก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้จะไม่รักจะไม่สามารถภาวนาได้จะไม่สามารถบรรลุทำขั้นต่างๆได้จะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือการทําทานตามอย่างถูกต้องทําเพื่อให้เราไม่มีเงิน ใช้กับความอยากต่างๆนั่นเองเพราะความอยากนี่นะเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่มีเงินเราก็จะไม่สามารถตอบสนองตันหาความอยากได้อยากจะเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ได้พอเราไม่ได้เที่ยวสักพักหนึ่งแล้วต่อไปเราก็เลิกเที่ยวได้ไปอยู่วัดได้ไปปฏิบัติธรรมได้ ตอนนี้ไปอยู่วัดไม่ได้เพราะยังอยากไปเที่ยวกันอยู่เช่นวันหยุดนี่หยุดต้องสี่ห้าวันทำไมไม่ไปอยู่วัดกันทําไมไปเที่ยวกันก็เ พ, เพราะว่ายังหยุดความอยากเที่ยวไม่ได้ันออาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เห็นโทษของความเที่ยวของการเที่ยวว่าเป็นเหมือนยาเสพติด เที่ยวแล้วก็ต้องเที่ยวไปเรื่อยๆเวลาที่ไม่เที่ยวก็จะหมดหิริลำคานใจเศ้าซ้อยหงอยเหงาว้าเหว่ต้องออกไปเที่ยวถึงจะมีความสุขร่าเริงแต่กลับพอกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมพอกลับมาอยู่ที่บ้านได้ไม่นานก็อยากจะออกไปเที่ยวอีกดังนั้นเราต้องฝืนความอยากไปเที่ยวให้ได้ถ้าเราอยากจะมีเวลาไปปฏิบัติ ทที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันถ้าเราอยากปฏิบัติแบบสามีจิตปฏิปันโนคือปฏิบัติชอบเราต้องเอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขต่างๆนี้มาทำทานให้หมดมาหยุดความอยากให้ได้พอเราหยุดได้แล้วเราก็จะได้มีเวลามารักษาศีลมีเวลามาภาวนาได้ พอเราภาวนาได้เดี๋ยวเราก็บรรลุผลได้ได้ผลขึ้นมาเพราะผลเกิดจากเหตุเหตุคือการภาวนาเหตุคือการรักษาศีลเหตุคือการทำทานขั้นต้นเราต้องทำทานก่อนเพื่อที่จะหยุดใช้เงินหยุดหาเงินพอเราหยุดใช้เงินหยุดหาเงินได้เราก็จะรักษาศีลได้ รักษาศีลได้เราก็จะภาวนาได้นี่มันเป็นขั้นบันไดที่เราจะต้องทำไปเป็นขั้นๆพอเราทำทานได้ไม่ต้องทำามาหากินหาเงินหาทองเพื่อไปซื้อความสุขต่างๆเราก็จะออกบวชได้บวชเป็นพระได้บวชเป็นเนรได้บวชเป็นแม่ชีได้พอเราบวชได้เราก็จะ มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เพราะนักบวชนี้ไม่มีหน้าที่อย่างอื่นต้องทำมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือจเจริญสัมมัตถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เองก็คือการจเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วออกจากความสงบมาก็สอนใจให้ฉลาดสอนใจให้เห็นว่าความอย่างนี้ เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขสิ่งที่อยากได้ก็เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเพราะสิ่งที่อยากได้นั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเว <irgendwie. S 1> <heet. S 2> ลาได้มาก็มีความสุขแต่เวลาเสียไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเช่นเวลาได้แฟนมาก็มีความสุขแต่เวลาเสียแฟนไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้แฟนเราอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้วันใดวันหนึ่งแฟนเราอาจจะจากเราไปก็ได้เวลาเขาจากเราไปเวลานั้นก็ไม่ใช่เป็นเวลาที่เรามีความสุขแล้วแต่เป็นเวลาที่มีความทุกข์ร้องห่มง้องห้เศร้าโศกเสียใจ นี่คือการสอนใจด้วยปัญญาเพื่อให้เราหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆนั่นเองพอเราไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็จะสบายไม่มีใครจะมาคอยสั่งให้เราทำอย่างนั้นทาอย่างนี้ได้เป็นเหมือนกับการได้เป็นอิสระจากการเป็นทาตนั่นเองเราเป็นทาตของอะไร เราก็เป็นธาตุของความอยากนี่ธาตุของความโลภพออยากแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปทําตามความอยาก ท, าทันทีเพราะถ้าอยู่เฉยๆแล้วจะทุกข์ทรมานใจนั่นเองแต่ถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจใช้สมาธิหยุดใจเราจะสามารถที่จะหยุดความอยากได้ พอเราหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะไม่มีความอยากมาคอยกดดันเราอีกต่อไปเราอยู่เฉยๆเราก็มีความสุขไม่ต้องไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราพอไม่มีความสุขกันใดจะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความไม่อยากนี่เองพอไม่มีความอยากแล้วสบายไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทองไม่ต้องมีร่างกาย ก็มีความสุขได้เวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายตายไปใจก็ยังมีความสุขเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่มีร่างกายเพราะใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับใจแล้วเพราะใจไม่มีความอยากที่จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองนี่แหละคือ การมาวัดมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาความเชื่อที่จะนำพาให้เราได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องเกิดจากความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติ และภาษาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติพอได้ปฏิบัติแล้วการดับของความทุกข์ต่างๆก็จะเป็นผลตามมานี่คือวิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับเราดับความทุกข์อย่างถาวรให้กับพวกเราไม่มีทางอื่นมีทางนี้เพียงทางเดียวเท่านั้นถ้าเราไปทางอื่นแล้วก็จะไม่มีวันที่จะ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราต้องมาทางนี้ทางเดียวเท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติให้ท่านได้นำมาไปพิณิสพิจารณาและปฏิบัติเพื่อผลอันดีอันเลิศอันประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา